มือขึ้นใส่ศีรษะแล้วก็<อ>มือใต้่างบนตักมือขวาักมือใต้หลับตาเบาๆจะพาทำบุญจะพาไปสวรรค์พาดูสวรรค์หลับตาเบาๆปิดหูใต้ขวาปิดตาโซ่ข้างปิดปากใช้บ้างปิดโทรศัพท์ด้วยแล้วนั่งดูบุญบุญอยู่ที่ไหน บุญอยู่ที่ลมนั่งดูลมลมเข้าลมออกให้เห็นลมชัดๆดาเปิ ด, ดติก มุ่งขึ้นใส่หัวอนจะติออกล่กต่อในทำแล้วได้ดูแล้วก็จะพูดสู่ฟังอีกถ้าได้ดูแล้วไม่ฟังก็งเข้าใจันว่าไปวัดทำบุญวัดนั่นไม่ใช่บ้านนะราคาเท่าไหร่พี่คุดสามแสนสี่แสนถอนของโลกไป ยุ่งในวัดไม่ได้ของในจะนําออกของนอกจะนําเข้าเรื่องโลกโลกจะนําเข้าวัดเรื่องวุ่นวายจะนําเข้าวัดวัดกายได้กาบวัดวาจามีนาฬิกาเรีนนักพูดได้เหมือนพี่ใช่ไหมวัดจิตใจได้รับความสงบได้นั่นถงรวมทั้งสามทางครับถึงรวมกายถึงรวมวาจาถึงรวมจิตใจ ไม่ใช่ไปวุ่นวาย<ม>คนเราชอบวุ่นวายคนเราชอบอยุ่งทำคําสั่งของพระพุทธเจ้าโดยศัตรูพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรทำที่เราโดยศัตรูยากที่สา ม, มัญชนคนธรรมดาจะทำได้จะดูได้เห็นไหมไม่ได้ซื้ออาหารใจแตไม่ดูในตัวของเรามีกายกับมีใจกายเปของคุณพ่อคุณแม่เกิดแล้วแก่เจ็บตาย ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ดูไม่เรียกไม่รักษาเวลาเสียชีวิตแล้วผมขนเล็กออกไปด้วยได้ไหมร่ลำรวยไปด้วยได้ไหมสวยงามาไปด้วยได้ไหมนีม่วัดนี่ว่าจะได้พระเจ้าประสงค์จงได้พระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์ท่านดูด้วยการดูลมด้วยการทําบุญเห็นไหมละ่ะบ้านไม่ได้เท่าก็ไม่ซื้อคื่น เือให้คือให้เพื่ให้เรามารวมกันปฏิบัติตอนเชาน้าจะได้มารวมกันตอนเย็นก็จะมารวมกันสวดมนต์ไหว้พระจะนั่งรูลงเข้าลงบอกตอนเช้าจะนั่งรูลงเข้าลงบอกจาไปทิ้งเพราะว่ามาทําบุญที่ไหนก็ไปเตือนแต่เรื่องคุยกันเรื่องคุยกันไม่เช่าจะทุกเชา่ชาสานเช่าสีเช้า พูดมากเสงขาดพูดมากเสียงขาดไปยินไหมผกไม่ได้ยิ น, กกนโอกันอยนู่นั่นอดแช่นก็ไม่ได้อดใจได้เป็น ถ, ถ้าเขาวัดเราสมโภชพูดไว้ต้องมีสัจจะว่าเราวันนี้เราจะต้อวัดไปทําบุญไม่ใช่ขนดอกไม้เป็นโลคภุงิลังนั่นคำอะไรคํานึงถึงความได้อย่าคํานึงถึงความเสียเสียพิธีกรรมของพระพุทธเจ้า เสียใจลูกหลานจะทําเป็นตัวอย่างจะถูกที่พระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อเขาพาทำมานี่ ท, ท, าาทำการเขาพาทำมาเขาพาทำมาอยู่นั่นแะแล้จะไปทูตไปเทียนไปทุตไปเทียนเขาวัดมเมื่อเดือนก่อนเมืองไทยวัดที่ไหนสร้างเพิ่งเสร็จยังไม่ทําอะไรไปไม่ทิ่งหมดหลวงพ่อไปถูกไปเทียนอยู่เมืองอะไร วัดจิตแาะสาวาทธาตุสุมพระประทานเม็ดเม็ดอะไรที่ประดับประดาอยู่หน้าผาตั้งเก็ดล้านดำมดมีเมตดกีที่ไหนไปปอพักไปปล่อยไปขโมยจุดทูก <c oughs> ็เลยเกิดเป็นไฟขึ้นมาโอ้ดำที่นี่ที่นี่คนจะพักก็ได้เลยห้านเด็ดขาดเลยวัดใหญ่ น่านคนพักผ่อนเปน็้มันขโมยไปพักเราไปขโมยจุดพูบจุกเทียนแสงเทียนสองตาแสงปัญญาของใจหลวงพ่อไม่เสียใจแต่มันเสียพิธีกรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมชาวไทยชาวพุทธชาวไทยชาพุทธตั้งขึ้นมากระทรวงวัฒนธรรมก็มีแต่ทาไปถุงสีส่ถุงห้าพิธีกรรมบวชน้าก็แหงพิธีกรรมกฐินไปแหงพิธีกรรม ก่อปัญหาก่แห่แห่ไปแห่มาไม่มีแนวแห่เอาลูกโพ่อไปแห่อีกคำหนึงห้ามมุ่งไม้หอมน้อยภายในวัดห้ามคว้นลำธาพคมห้ามพุทชาดอกไม้ผิดศีลแปดเข้าใจไหมทําไมให้ศิลทุกศิลทุกเหล่าให้ศีลแล้วก็พูดคำหนึง่งทาไปอย่างหนึง่งเข้าใจนิ้วตาคนทักหัวใจเป็นนักพระเจ้าสอนยากไหคนเราชอบยุ่ง โคตรง่ายกิเลสไดี๋ยวยิ่มักงงมันฆ่าผมแต่แถออกนี่แม่หลักผมฝ่ายของบุวิสติปัญญาเลยขาดอยงเดียวขาดการทำบุญนี่ยไม่ไม่ถูกต้องผลอุไาไม่มีปัญญามี่ตะคตปโกงกันมีแต่หลอกลวงกันมีแต่ปีนป้อมกันโกหกโคกลมมยิ่งข่าวหรือเทใส่ได้ให้ทำอาหารที่ละหออาหาร จะรับหมื่นหอหมื่นหอจะจ้างหลายหลายปีเว่ทําเสร็จแล้ ว, วลไม่เอาโทรหาที่ไหนก็ไม่เจอลงทุนไปเท่าไหร่เท่าไหร่เขาพูดยังไงจึงกล้าทําอย่างนั้นทําไมกล้าโกหกกันทําไมกล้าเชื่อเขาละ่ะพวกเชื่อจะเชื่อทําไมเชื่อง่ายจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้บุญอีกพวกนึ่งเอารอก็เลี้ยงไปป่วเหยียบให้พระโดนทุ่ดงอีกพวกหนึ่งก็ไปบุยท่า จะไปเชื่อตรงไหนสิเจ้าพราหมณทอย่างหนึ่งให้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อหนังสือตำราไม่ให้เชื่อได้ที่ข่าวเาล่าหรือมาไม่ให้เชื่อที่ขาพาทํามาให้เชื่อเหตุผลให้เชื่อพระพุทธเจ้านะไม่เชื่อทำไมพระสงฆ์ถึงกับมีบัญญัติขึ้นมาอีกิทธิใจพิโรธมาใหมา่อีกแล้ว มีสินของพระเจ้าสอนบอกว่าห้าสิบข้อร้อยห้าสิบข้ อ, อเอนี่ยังมีแล้วในประเทศไท ย, ย <c oughs> นนในเชื่อตุผลเอาฟังดูเถอะเชื่อสังเวอนถึงหลาสิาจจ่คำนั้นะกลัวบอกว่ามิใชาคำ้างนี่ถูกต้องเลด้ดังเราเดินทางเราเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวก่อนกลับบ้านเอาเตรียมอะไรไปเอาอะไรไปจ คำว่าหลัขบถศาสนาเตรียมตัวไปเอาบุญไปเอาบุญไปสวรรค์อยากไปสวรรค์พุเจ้าสอนให้ไปสวรรค์เห็นสวรรค์เรไม่นางก็เห็นพรนิพพานอันนี้สวรรค์ก็ไม่เคยดู ไ, ยไปดูแต่นรกอยู่แต่เมืองนรกเมืองไรนรกร่ำรวยสวยงามเอาเอาสมัไปแปรนะร่ำรวยมาแล้วคนมายืมสองสามครั้งไม่ามาไปถามสองสามครั้งไม่เอามาคืนให้ ตั้งที่สามที่สี่อาปืนไปฟ้อล้ะร้อนไหมล่ะ <c oughs> สวยงามก็เหมือนกันแต่งงานเพชรยินทิดาไปมั่นกันราคาเท่าไหร่ในสองสาเดือนเตียงหักทลาะกันดานลาสวยงา ม, ามเป็นนรกไหมนี่โลกของคน <c oughs> ที่หลงงมงาย โลกมั่งค้าสมุขมั่งสวรรค์ไม่ได้แดกกับฝนสมุกสนุกมื่งคนไม่จดกินกับเปลมนั่นสิแต่หลวงพโลกปีจาพระพุทธเจ้าสาสินามธรรมทุกอย่างบางแต่กรรมหกปีกว่าจะได้ตัศรูปเราทาไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทำไมไม่ทาตามพระพุทธเจ้าหรือไม่อยากไปกับพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าไม่อผลจะผานไปด้วยยังดูทุกคนทุกแห่ยศอยู่ทุกขั้นทุกคนเราแต่ตาคนอยู่ในใจทุกขัานทุกบก พระทำวในัยเป็นครูของพว a เคยทั้งหลายอันที่พระ เ, เจ้าจัดว ง, งทั้งขานประชุมทรงทั้หมขึ้น่ไหมมาบ๊อบลูกันแคบเสียวข้าหานพระพุทธเจ้าปชุมอะไรน้อคอยฟังหูดพอพระอานนทน์รายงานว่าจบหมดแล้วครบหมดแล้วมาครบหมดได้พระเจ้าตรัสลบเราจสางกเกณอ์ปรชุมครั้งนี้คืออีกไปในสามเดือนเราจะตระ้จราจากปฏิญญา องสังขารพระเล็กเง น, น้อยบทใหม่ร้องให้ว่าไม่มีใครที่จะนำสอนต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้าจะไป น, นิพพานก่อนแล้วแลบวบใหม่ๆก็ได้จต่สรูพระเจ้าของลู้จักำคำข้อนี้แล้วเราจะสาปนั้นได้ไปไหนจะมี ใ, ใจของพวกเธอท่านทุกลูกพระธรรมวินัยที่ระวางบญรญจักรไว้แล้วเป็นบรมบรูของพวกเธอทั้งหลายทําไมไม่ทาตามพระพุทเจ้าเรา เข้าวัดทำบุญทานไปทำบุนทานไปทำบุญไส่บาดี๋ยใส่จะบาทไม่ฉะน้ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังห่องห่อป้าดิเพราเรคในให้รับอาหารเกินกินได้ไม่ให้รับอาหารเกินขอปากบาตรเห็นไหมละเอมงไทยวิ่ตึกขายตึกเ้ินตาบาตขายไอ้เมืองไทยลงข้าวลงข้าวทะเลาะกันยิ่งกันตายก็นี่ใข้าวพวกนึงขายของพระมนจะขายถ ผู้เห็นกระสมกระดขายด้วยสมนักลแรงของตนเองมาขายแก่ผู้ขายเถียงผู้ขายแก่เปียดกันก็นี่ละพระหัึ่งเดียวขาดหนึ่งเดียวคนไทยของเราถ้าจะพูดเร่งธนกนาที่อยู่ที่อาเซจัรทุกทุกงานสถานที่ขารบกวาดให้สารดูชานท่องเที่ยวก็คือประเทศไทยแต่ปเสียอย่าังเดียวคือมรมังคุหน่าละอายตรงนี้ เขาสังฆาตจะเย่จะไปมงไทจะไปเรืงไปแล้วเขาล่ำรวยโกงเขาตะควลงต้องเริ่มโกงแล้วไปลงไปสงงโรงแรมไหอกโรงแรมใกล้ใกลสี็ไปใส่บุญโค้งไปจนว่าติคำจับมาน่นเริ่มโกงเขาเลยที่ติดตเขาไปจะไปไหนเรียกใครก็ได้ตลอดเขาเริ่มสนิดต่อไปสนิดไปล่าด้วยหาวิธีโกงเขาโกงเขา เอาข้าวเขียวขนจนมาข่า ก, นากนันเขาเกยง่ายก็หาทีที่คมขืนเขาดังเป็นห่าเสนาลายว่าเขาไปพึ่งล้มโพล้มใจมืองไทยมืองพูดมองไทยมึงพูดทําไมเป็นอย่างนั้นถ้ามีคุณรรมาทำหรือที่ไหนสู้เมืองไทยไม่ได้นะสมัยก่อนสมัยว่ า, วาสยามเมืองยิ้มเดี๋ยวนี้เป็นสยามหน้าบุ๋มควายรวันนี่เยอะรถใต้ไม่แดงไม่นั่งยี่ห้อไม่ดังไม่นั่ง นี่ขาดอยูนี่เพราะนั้นพระเจ้าประสงค์อ่นี้ให้ทำเอานะไปใช่มะขอนไม่ผ่า น, านพระพุเจ้าไม่เอาไปนะยังอยู่พระเจ้าประสงค์ยันอยู่อะไรปีปีปเสด็จท่านแต่ลู ก, บกเบื่อประมาททำไมท่านอยู่ได้ท่านนีเครื่องอยู่ไม่ใช่วัดเป็นเครื่องอยู่วิหารละทำเป็นเครื่องอยู่อะไรลทำทนทีพาสวรรค์ันิีพามไม่ด้ไม่ได้ซื้อนี่ลมเข้าลมออกนั่นอาหารใจ จึงบอกว่าให้แต้มใจรักษาใจเรื่องใจดูใจในบางคนก็ถามด้วยว่านับจาเกิดมาเคยดูใจไหมเคยดูลมไหมไม่เคยดูนะ <c oughs> ไม่ต้องไปสวดมากหรอกถ้าที่พิจารณาเราทำคำสวดสวดเท่าไหร่ได้หมดเลยแหละถ้าแต่ว่า เ, าเราไม่ทําก็ไม่ได้เหมือนเดิมเลยสวดคําของพระพุทธเจ้า เราเสรินบุญคุณบารมีของพระพุทธเจ้าที่ในของเรามีหรือยัง<อ>ถ้าหากเรามีสมบูรณ์เดียบร้อยจะค่อยสวดีก็ได้<อ>แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าสอนผมขนเล็บปันหนังเรียกว่ากรรมฐานห้าอย่างาา น, านั่นสอนพระไม่ได้เรียนจุดี้ไม่ได้บวชหรอกแต่๋ยไม่เข้าใจพระกรรมฐานนั่งแบบหูแบบตาไม่สูดไม่เรียนเพราะว่ากันอยู่นั่นแล้วแต่จะว่าไปแหละไม่ได้เรียนไม่ได้บวช ถ้าเอาสรรมะเข้ามาิงจริงนะเรียนท่าอย่างให้จบเถอะเดี๋ยวเนี้ยเราเรียนไหมเจสาโรมานะาขาดันตาตาโจตาโจดันตานะ้ขาโรมาเจสา่าผมขนเล็บฟันหนังคนอมยุ่งเหรอผมขนเล็บฟันหนังไม่ใชลูกยานลูก น, น้องจิตเนี่ยทำศิลก ร, รรมแต่งประดับประดานี่เนี่แต่งตัวเนี่ยนั่นเสริมสวยเสริมสวยเนี่ยเอาไม่ไหวเงิน หรืออย่างเดียวที่ไม่มีขัง้งไม่มีขั้งไม่ได้นะไปทําขนตาเขาหนังต า, าเขาไม่ดีไปถูตาเขาบวมเสียแล้วเห็นเพี่ยวไม่ดีเสียแล้วทําให้ตาบวมไม่ดีเสียแล้วทําฟันไม่ดีเสียแล้วทําให้ผิวหนังอักเสบเป็นเมลีงโน่เนเรลีนี่นี่มันเสียตรงนี้แหละไม่มีขัง้งดีก็มันไม่ได้ ราคาไปปลูกผมแตงขมเี็ดกันเจ็ดล้านแล้วมีเรียตามมาอย่างนี้นะเด็ไปเมืองไทยเขาไม่ทานอาหารอาหารไทยไเย็กเกินไปเลยกินกรกขอบกยใไปรถรถกบก่อนไปในตัวน <c oughs> <c oughs> ี่คืออะไรบ้เกิดกบก่อนไเขาไป <c oughs> <c oughs> อยากให้มีสติอยากให้มีปัญญาสอนให้ญะตโยมทำบุญเยอะ เอาน้ำโจอาหารอนลงไปเแทนที่จะเอามาเติมจานเอาครื่องจานในพระในจำเนี่ยตะก้อนป่วยไม่เดียวกับเบนบินตบาดหลวงปู่ักเครื่องให้เครื่งมดีใจดีตายแล้วไอ้ินตบาดไม่ตาไม่โดนขโมยจากว่ามีพระมาประจํกขป่วยคนบ่มล่วยตก้อนอย่ที่าน่ะเป็นหมอกล้วยครับป่วยปอกป่วยไปใช้ทา้งทึ่ ผีแกไปเตหมอนี่มึงเน้กเาตมไปติดหรออาไฟข้างเท่านั้นนี่ว่าเาบอกใจังเลอเราพระมันจะใไปบงกันนงัดถกแกผดินดอกหักงัดไหวว่าพอเริมเนื่มันบ่ทนสุกเด้มับ่ทนหลายมือมันบ่มีแ๊กท่ตมือได้นะแต่ท่านนั้นเข้าใจแล้ว กอมือโอ้ยน่าสงสารจ้า ว, ท, วที่รูดจีไหวที่กานเต็มไปหมดทำบุญงานที่ได้บุญได้บากได้บากมันรุ่งยาของพระดิราชเจาก า, า, ารเข้าคเราวสงสาจอเล็กเ น, น้นา้อบวชไม่ไบินตะปาอ้อมสลาโอ้ยเหตุบาปเน้นน้อยถ้าคุ้มผาคหน้าคนนั่งมาคุ้มทายของออกจากบาปเป็นแต่งานพิธีง่ายนบวชเจ้าพันโลสองพันโล เดินค้นใต้บาตรพระสิงห์พะได้สันอาภิยะต่างน้่งตังคุ้มฝาบาตรเทองคุ้มบิณฑบาตรเทองคุ้มผาเหยียบผาตะบงอย่าจะลุยจะไล่จากคนในนักบาตสมบูร์ไม่มีอะไรมากถ้าพูดเท่าไรก็ไม่สิ้นสุดเรื่องของโลกนะถ้าทำตามคำสองของระเจ้าสิ้นสุดดูลมหายใจเขาออกสุดยอดนั่นอาหารใจใจตายไเป็นเตรียมตัวก่อนตาย ทุกที่สุดคือหาที่เกิดถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้พบ ก, พกุศลศาสนาเราเก็เป็นทุกข์เกิดร้อนรุ่นวาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุศลศาสนาได้พบทาคํา ส, สั่งสอนของพระเจ้าติดโฉมนุษย์ติดตาโปติดหังพุทธสมุปปาดังครบบริบูรณ์อีกแล้เราจะเอาหาที่ไหนได้พระเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเพราะจิตใจไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายทําไมไม่ดูอาหารใจไม่ซื้อ ในทุกดวงอยากเกิดตเป็นมนุษย์จยากพูดภาษาอยากปฏิบัติทำเท่านั un, ้นนะพัดกำลังคิดตั้งใจอยากทาปฏิจังยังไม่เข้าปฏิสนธิยังแสวงหาที่เกิดสัมปเวสีแสวงหาที่เกิดอยากมาเปิดเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถ้าเราไม่เคยดูเลยไม่รู้ว่าจิตใจอยากเกิดมาเพื่ออะไรเพราะเราไม่เคยดูใจไม่รู้ใจจะเห็นใจได้ยังไงสิจะเห็นแต่ร่างกายแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนัง นี่จอยด้วยความจำความหลอกตนเองความหลอกคนอื่นอยู่ด้วยความจำควอมนั่นเห็นไหมจากที่มีสติปัญญาเข้าตัวนี้ตัวนี้ทําทุกสิ่งทุกอย่างบุญญาณิปะละโลกสัสมิ่น่ะไม่เชื่อรู้สุดนี่ไปดูโลกหน้าสูอบุญเรามาก็มาด้วยบุญทีนี่เราอยู่ได้บุญไหทํหาว่าเตรียมตัวก่อนกลับถ้าดูไม่อยู่ได้บุญก็อยู่ได้บาปขาดบุญแล้ว บ้าพาไปไหนเปยภูมิทั้งสี่ถ้าไม่มีบุญเอาไภูมิทั้งสี่เป็นที่แบ่งได้เป็ดปศุลกายศาสตร์วิชาชันคนคนก็คนทุกข์คนยากคนลำบากระบนคนคนพิการกระไรบอดงวกไม่ใช่คนขมบุญอย่างนี้คนขมบุญอย่างนี้มีทุกสิทุกอย่างย ก, กขึ้นมาให้สูงขึ้นได้หน่อยคือมนุษย์คุณธรรมของมนุษย์มนุษย์ธรรมธรรมของมนุษย์น้อยที่สุดก็คือหินห้า พื้นฐานของมนุษย์นั่นน่ะเห็นไหมถ้ามีจุดนี้เราอยาใช้ชีวิตเมา่ไหนก็เสียไปเสิรู้จากทางไปเลยเพราะเรามีชีวิตอยู่เราเคยดูทางไปสวรรค์ถ้าไม่เคยดูเจ้ากรรมในเวรเขาดักถามบนทางตายายตั้งใจว่าจะไปดูสวรรค์ไปทําบุญคุณทําบุญไหมเคยดูสวรรค์ไหมเคยดูใจไหม ตอบเขาไม่ได้เขาบอกบอกว่ามาจากเมืองไหนมาจากเมืองนรกกลับไปเมืองนกกรนงนกนะถ้าเคยดูแล้วก็เสียงเขาได้เลยเคยดูฉันดูทุกวันฉันดูทุกวันเขาจะให้ดูทุกวันนะอาหารใจก่อนขับก่อนหลับก่อนนอนนั่นแหละเอาทิ้งไว้ในเมื่อกี้นี่แหละว่าแค่นั้นไม่ต้องปวดมากกแล้วก็นั่งให้นานๆดูให้นานๆอย่างน้อยชิกก้นสกรดหนึ่งนาที อย่น้อยนะถ้านั่ได้ก็น่งเท่าไรก็ยิ่งดีวันศีลมันสะทะไม่ต้องนอนก็ได้ว่าเรานอนมาแต่นานแล้วเห็นไหมเ <c oughs> มื่อแตรู้เพราะการ น, นอนนั่ง น, นั่งเห็นไหมเกือบหนึ่งมี่อสีข้างแข น, นทำไมจะกดนอนไม่ได้ถ้าอยากไปนะถ้าไม่อยากไปก็ตามใจคุกกี่อยู่ในโลกนี่แหละคุกที่อยู่กับเมืองนรกนี่แหละ นั่นใจของคนมันอยู่ที่นี่นะอยากให้เม่นนักนางมโนลานางมโนลาข้าวสีทนตามนางมโนลาหานางมโนลาเกตเดือนเกตปีเกตวันไปเจออยู่ที่ไหนอยู่เพืู่้เงินรู้จักไหมข้าวสีทนต้องใก้ความอดทนหาหาใจมโนคือใจมโนฟังเข้ามาธรรมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายอยู่ใจเป็นใจดีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จอยู่ที่ใจ นี่เสาไมไม่รู้เราใจอ่ะป้าก็ให้ได้ห น, นักนะทำทุกวันนี่สัจจะจึงจะได้พพุทธเจ้าทีสัตรูปหาหกปีปีที่หกจึงตั้งสัจจะนะจึงได้สัตรูปที่ผ่านๆมาไม่เคยตั้งสัจจะทำไปตามหน้าที่ทำไปทำไปโดยเพราะฉะนั้นให้เด็กตรงไปคือสัจจะ ระลึกถึงบุญกุศลศาสนาพุทมีที่ปฏิบัติมาแล้วตั้งสต่ชาติากไม่ได้เป็นพระเจ้าวันนี้ไม่ลุกจากที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นให้มันตายพาที่นะที่ไหเวลาพระพุทธเจ้าจัดตระลุใครไปบอกะสินทำที่พระพุทธเจ้าจัดตระลุครั้งนี้ไม่เคยปรากฏในใจของพระพุทธเจ้าไปบอกอาการไม่ได้ะ จะตังรู้จำเคาะตนอย่างหลวงพระฟ้าดูวิธีเอาน่ะมันพิษอาหารของพระสงฆ์อยู่ที่อยู่ของพระสงฆ์ที่อยู่ของใจบ้านช่องสาราโบสถ์อาหารที่อยู่ของกายใจก็มีที่อยู่อีกนะที่นี่น่ะถ้ามีสวรรค์จะอยู่ที่อยู่ของใจเสียชีวิตก็เข็นสวรรค์นั่นสวรรค์อยู่ที่ลมใจทุกดวงอาศัยลมถ้าลมไม่อยู่ใจคนนี้แหละ แต่ไม่ดูไม่เลี้ยงโอ้ยคนเรามันน่าสนุกในพระจันทร์นะไม่งั้นเสียใจทุกที่สกิดก็หาที่เกิดแล้วเกิดกับลูกกับหลานเกิดมาได้เขาที่เียดเลี้ยงเห็นไหมทุกหลานทุกวันได้สองคนหญิงชายพ่อแล้วปิดไว้อ๋อเขาปิดประตูเราไปไหนถึงไม่ให้เกิดอีกแล้วเราเกิดเป็นของเล่นของกระสือโคกทุกปีทุกอย่างอย่างเดียวคือเราจะประทานหรือเปล่า อาหารใจเราจะรักประทานใจเลี่ยงใจแสงใจรักษาใจไหมสังขารนั่งกายวันหนึ่งสามข้างสี่ข้างแตงข้างวันหนึ่งกี่ข้างสี่ข้างผมคนเล็บเนาเครื่องสายท่านไปดูแต่สังขารนั่งกายเกล้วแสกเก็บตายใจไม่แสกไม่เก็บไม่ตายไม่ดูจะไหวทางไหนในหน้าท่านกุศลนรสลเดจมบกดาเดจจิจิลองศาสนานี่มรรคปู่ลงความมาแวะติวัสติวาหลวงปู่ก็มาไม่มีอะไรฝากให้ ก็มีแต่ศ <fun ut> ีลแต่ธรรมนี่แหละนะธรรมที่หลวงปู่ให้มาแล้วธรรมที่หลวงปู่อธิบายมาแล้วธรรมที่หลวงปู่ได้กระเพื่อปฏิบัติหน้าบุญกุศลที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติหน้าพระเจ้าพระสงฆ์ได้ปฏิบัติบ้าบุญกุศลของคนพระคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสังฆศิษย์ทั้งหลายในสารกุหลกบนี้จงมารวมกันตรงปกป้องปกปักษรักษาเอาคนระยมลูกหลานญาติพี่น้องตลอดทางพระเจ้าพระสงฆ์ตรงนี้ทั้งคนสุขคนเจริญคนกายคนใจมายจากทุกโชกภไทย ศาสนาสิ่ึงอันดก็จงสำเร็จจงสำเร็จโดยเฉพาะในหลักคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพกะจงฝากกันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้วก็จงมีดวงจิตจวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมเห็นมรรคผลเห็นสวรรค์เห็นปณิฟาในปัจจุบันนาพนี้เถิดยใครแปล่าอะไราจารย์แปลาษารน พี่ชื่ออะไเนี่ยนนแปเเ LAUGHTER